รือว่าผู้ก่อการร้ายปิดไว้ปิดไดว้เดี๋ยวเดี๋ยวเชื้อโรคเข้านี่ไม่สบายยังเด็กๆนะสาวๆเด็กๆป่วยปุปปับเลยชีวิตเป็นของไม่แน่นอนมีบทสวดมนต์อยู่บทนะบอกชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอน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 คามจริงมันยัมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นอีกแต่เราไม่รู้จักมีธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะสําคัญที่สุดอย่างอื่นๆก็งั้นๆน่ะชีวิตเป็นของโชคราวธรรมะเปนของยั่งยืนแต่ว่ายากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะเข้าไปเห็นธรรมะที่แท้จริงเราเห็นแต่ธรรมะที่เป็นความปรุงแต่ง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 อัตตาหรือตัวอาตามันมันออกจากร่างไปไปหาที่เกิดใหม่เวียนว่ายไป เ, ยเรื่อยๆจนวันหนึ่งทำคุณงามความดีเต็มที่ก็บรรลุโมกษะคล้ายๆนิพพานแต่ไม่ใช่นะเรียกโมกษะคืออัตตานี่ไปรวมเข้ากับบรมอัตตาคือพระเจ้าหรือปรมาตตมันนี่ชาวพุทธเรากลับไปเชื่ออย่างนี้เคยได้ยินมาแต่เด็กๆใช่มตายแล้ววิญ ญ, ญาณออกจากร่างเดี๋ยวไปเกิดอีก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 เห็นความจริงไม่เหมือนมากเบื้องสูงนะเกิดจากภาวนาโซดาปฏิมาเกิดจากทัศนะคือการเห็นเห็นความจริงของกายของใจเห็นไปเรื่อยเรื่อยเห็นแล้วก็เห็นมันเกิดดับมันมีอยู่แล้วก็หายไปมันหายไปแล้วมันก็มามีอีกอย่างเงี้ยสืบเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเห็นมากเข้ามากเข้า้วก็รู้ไม่มีตัวตนถาวรหรอกสิ่งที่เรียกว่าตัวพระตนนนจริงๆเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองไม่มี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 การปฏิบัตินะต้องรู้เข้ามาถึงจิตถึงใจถึงได้สาระได้แก่นสารของการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่ออำนาจรุกนสิทธ์หลวงปู่เทศเหมือนกันไปหาหลวงปู่เทศรุ่นไล่ๆกันหลวงพ่อไปปีสองห้าท่านขงไล่ๆกันหลวงพ่ออำนาจกีไหนสองหเงั้นงั้นรุ่นรุ่นน้องรุ่นหนึ่ง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 เขื่อนจะได้เอาไปคิดต่อท้อแท้ใจโอ้ชาตินี้ไม่มีวาสนาจะเห็นถ้ามัวแต่ท้อแท้ใจก็ไม่เห็นหรอกถ้าทําอย่างที่หลวงพ่อว่านะไม่นานก็เห็นเจดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็เห็นกันเจ็ดปีไม่ได้ก็ทําไปอีกทําไปสิบหกปีสิบหกปีไม่ได้ทํามันทั้งชาติเลยทําไมต้องสิบหกปีมันมีเพลงของสุรพลสิบหกปีแห่งความหลังนี้ตามสถิติ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 ตัวนี้ไม่เอาหาทางปัดออกหาใหม่เพรั้นตัวนี้ถ้าจะดีเอาละตัวนี้กูสนโอ้ประคองประคองกลัวจะหายไปกลัวจะหายคือกลัวไตรลักษณ์นะนี่ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้กินหรอกเพราะวิปัสสนาแท้ๆไม่ใช่การเห็นรูปนามนะพวกเราต้องตั้งหลักให้ดีวิปัสสนาแท้ๆคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามลำพังเห็นรูปนามนะเป็นสมถะนะ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 ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสนาเห็นไตรลักษณ์เห็นยังไงเห็นไตรลักษณ์ของร่างกายเห็นไม่ร่างกายมันมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเนี่ยนั่งเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมเดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินข้าวก็ทุกข์ใช่ไหมไม่กินก็ทุกข์กินแล้วไม่ทุกข์ใครลองกินไปเรื่อยๆสิเดี๋ยวก็ทุกข์เองเนี่ยเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวยังไงๆความทุกข์นี่บีบคั้นร่างกายนี้ตลอดแล้วก็ร่างกายมันเป็นวัตถุ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 ต้องสงเคราะห์กันเป็นรายๆไปอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เห็นตรงอย่างนี้สงเคราะห์โลกก็ส่งเคราะห์อย่างนี้สงเคราะห์เทวดาสงเคราะห์อย่างนี้สงเคราะห์ญาติท่านสงเคราะห์อย่างนี้ท่ า, านก็ต้องจำแนกเหมือนกันเมื่อวานทวายเทพมาเจอคนหนึ่งไปเรียนกรรมฐานที่ไหนมารู้แต่ไม่บอกนะบอก่ะบกได้เป็นพระอริยะมาตั้งแต่อายุยี่สิบเนี่ยอริยะอย่างนี้ลําบากนะ ระยาบูบูบาบาเวลาบรรลุมรรคผลต้องมีสติไม่ใช่บรรลุหนึ่งทีนะเอ้โงงั้นครูบาบรรลุบ่อยเลยแต่ก่อนเนี้ยรวมบูบูๆบูบ้ไปไปไปนะทีรวมปุ๊บหัวก็เดินไปทางตัวไปทางน <c oughs> ันนั่นอาการของสมถะสมถะงั้นเวลาภาวนาอย่าเชื่อง่ายนะ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 ผิดสบายให้ฝึกไปเรื่อยๆแปดโมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ